สรุปความเพื่อนำสู่การปฏิบัติเมื่อได้กล่าวถึงวิธีคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการมาครบจำนวนที่ตั้งไว้แล้วขอย้ำความเบเียดเบือบางอย่างไว้เพื่อเสริมความเข้าใจอีกหน่อยเท่าที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าถ้าตรวจดูขั้นตอนของการทำงานของโยนิโสมนสิการจะเห็นว่า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 จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและทำกิจต่างๆต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารับรู้ไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสติปัญญาไม่รับรู้ชนิดที่กลับผันแปรจากความรู้ไปเป็นสิ่งกระทบกระทั่งติดค้างเปื้อนที่ก่อปัญหาแก่ชีวิตจิตใจรับรู้โดยจิตใจได้ความรู้จากอารมณ์หรือประสบการณ์ไม่ใช่รับรู้แล้ว จิตใจถูกอารมณ์หรือประสบการณ์ครอบงำหรือล่อพาหลงหายไปเสียซึ่งแทนที่จะได้ความรู้มาแก้ปัญหาหรือได้ปัญญามาดับทุกข์กลับได้กิเลสและความทุกข์มาเพิ่มพูนทับถมตนแม้การคิดก็มีลักษณะทานองเดียวกันนี้ลักษณะอย่างนี้คือความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ด้วยปัญญาอาจมีผู้เสียดายว่า ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดูจะปราศจากอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ตามความหมายอย่างสมัยใหม่มีแต่ความแห้งแลง้งไร้รสชาติพึงชี้แจงว่าสำหรับปุถุชนการเป็นอยู่ด้วยอารมณ์คอยจะครอบงำคนอยู่แล้วตลอดเวลาโยนิโสมนสิการมีแต่จะมาช่วยแบ่งเบาแก้ทุกข์ให้ปัญหาบรรเทาลงจึงไม่ต้องห่วงว่าจะขาดอารมณ์ ส่วนสำหรับผู้ใช้โยนิสมนสิการสำเร็จผลจนพ้นความเป็นปุตุชนได้แล้วก็จะมีคุณภาพทางอารมณ์ใหม่อย่างบริสุทธิ์เด่นชัดขึ้นมากล่าวคือเกิดคุณธรรมข้อกรุณามาช่วยสืบต่อคุณค่าทางด้านความงดงามอ่อนโยนของชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมทั้งแทนที่ความคุณมัวหมองเศร้าเครียดเหงากังวลเป็นต้นก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ประณีต เช่นความสดชื่นผ่องใสโร่งโลง่งเบิกบานใจความสุขความสงบและความเป็นอิสระเซรีสืบต่อไปมีข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะที่เป็นบุภาพภาคเข่งมัชิมาปฏิปทาสองอย่างคือปาระโตโคสาที่ดีหรือกัลยานามิตรและโยนิโสมนาสิกานี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับโลก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 แต่พึงมุ่งจับเอาสาระเป็นสําคัญอันหนึ่งพึงย้ำไว้ด้วยว่าโยนิโสมณสิกานี้เป็นหลักธรรมะภาคปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาไม่ใช่จะต้องรอไว้ใช้ต่อเมื่อมีเรื่องที่จะเก็บเอาไปนั่งคบคิดหรือปฏิบัติได้ต่อเมื่อปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณาแต่พึงใช้แทรกอยู่ในการดาเนินชีวิตประจาวันที่เป็นอยู่ทุกที่ทุกเวลานี่เอง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 เพื่อเสริมสร้างนิสัยและคุณลักษณะที่ดีเพื่อความรู้ตามจริงเพื่อฝึกอบรมตนในแนวทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอิสระเด็กเล็กคนหนึ่งของครอบครัวซึ่งมีฐานะดีนั่งรถยนต์ไปกับคุณพ่อคุณแม่ผ่านไปที่แห่งหนึ่งเห็นเด็กเล็กยากจนหลายคนนุ่งห่มเสื้อผ้าเก่าขาดร่งริ่งอยู่ตามข้างทาง เด็กเล็กในรถยนต์สนใจเพราะเห็นความแตกต่างระหว่างตนกับเด็กข้างถนนเหล่านั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตรู้จึงพูดว่านั่นจะพวกเด็กโสดกบลกลูกอย่าไปดูมันในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่เหมือนดังปาปมิตรชี้แนะให้เด็กตั้งความคิดที่เป็นอโยนิโซมณสิการเราให้เกิดอกุศลธรรมเช่นความรู้สึกรังเกียดดูถูกเยียดยามเป็นต้น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 แตโยนิโสมณสิการก็อาจต่างกันได้เป็นคนละอย่างคนละระดับยกตัวอย่างในระดับที่เรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสนาเช่นในกอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่แทนที่จะเห็นใบหน้าที่สวยงามเขากลับมองเห็นเป็นแผ่นผิวหนังพร้อมทั้งผมขนเป็นต้นที่ปฏิกูลด้วยเหงื่อมันและฝุ่นละอองเป็นต้นมีกระดูกและเลื่อนเนื้ออยู่เบื้องหลัง ไม่ทำให้เกิดความติดใจฝ่รักโยนิโสมนสิกาในกรณีนี้เรียกว่าเป็นสมถะในแง่ปฏิกูลมมนสิกาเพระเดกความรู้สึกว่าเป็นปฏิกูลมารังับราคะทำให้ใจสงบอยู่ได้ในขอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองเห็นเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ควรเอาใจใส่ดูแลให้เจริญงอกงาม เกิดความรู้สึกเมตตานึกเหมือนเป็นน้องหรือลูกหลานกรณีนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการตามแนวสมถะในแง่เมตตาพรมวิหารเพราะทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นเป็นกุศล น, นางสาวงอเห็นหน้าหญิงสาวสวยคนเดียวกันนั้นแต่มองด้วยความรู้สึกคิดนึกไปว่าหญิงนั้นสวยเกินหน้าตนเกิดความรู้สึกริษยา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 เรียกว่าตามเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่มีงามหรือไม่งามไม่มีสวยไม่มีน่าเกลียดโยนิโสมนัสิการเป็นตัวนําที่ทำให้การศึกษาเริ่มต้นหรือเป็นแกนนาของการพัฒนาปัญญาในการศึกษาโดยเฉพาะที่จัดกันเป็นระบบหรือเป็นงานเป็นการ จึงควรใส่ใจให้ความสำคัญแก่ยนิโซมนาซิการให้มากเพื่อจะได้เป็นการช่วยให้คนศึกษาไม่ใช่ให้การศึกษาแก่คนอย่างที่มักพูดกันซึ่งไม่นาจะเป็นความถูกต้องและนาจะทำไม่ได้จริงเริ่มแรกอาจจะพัฒนาวิธีเรียนวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมกระตุ้นเร้าให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนใช้โยนิโซมนาสิการแบบพื้นฐานคือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยและวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบเมื่อมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่ต้องพิจารณาก็โยงวิธีคิดสองแบบนั้นเข้าไปเชื่อมต่อกับวิธีคิดแบบสามั ญ, ญลักษณ์และวิธีคิดแบบแก้ปัญหาจากนั้นวิธีคิดแบบอื่น ก็จะเข้ามาสนองรับใช้บุคคลที่มีโยนิโสมนาสิการนั้นตามช่วงจังหวะที่เหมาะสมและความเป็นคนมีโยนิโสมนาสิการหรือรู้จักใช้โยนิโสมนาสิการก็จะเกิดตามมาเองนำให้การศึกษาดำเนินไปอย่างถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงของมันเมื่อรู้จักนำวิธีโยนิโสมนาสิการไปใช้ในการเรียนการสอน แม้แต่เด็กเล็กๆ ก, ก็จะมีความคิดและมีทัศนะที่ลึกซึ้งกว้างไกลเช่นจากกระดาษสมุดและในโต๊ะเขียนหนังสือเด็กจะมองเห็นความสัมพันธ์อิงอาศัยกันของทุกสิ่งในส า, นากลจักรวาลมองเห็นความเกิดมีและความดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่งๆไม่โดดเดี่ยวขาดลอยและไม่ขาดตอนจากการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายอื่น จากคำถามว่าโต๊ะตัวนี้เกิดมีขึ้นได้อย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างโต๊ะตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นได้เด็กก็จะสืบสาวโยงโต๊นั้นไปหาปัจจัยหรือตัวประกอบทั้งหลายที่ทำให้โต๊ะเกิดขึ้นทีละอย่างจนครบมีทั้งไม้เลื่อยตะปูค้อนตลอดมาถึงคนและจากปัจจัยเหล่านั้นก็สืบสาวต่อไปอีก เช่นจากไม้ไปถึงต้นไม้จากต้นไม้ไปยังดินน้ำฝนป่าฟ้าอากาศและอื่นๆเมื่อฝึกคิดอย่างนี้นอกจากจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนต่อสิ่งที่พิจารณาตลอดถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นปัจจัยเกี่ยวโยงกันไปทั่วทั้งหมดแล้วยังทำให้เกิดความอย่างรู้ตระหนักความจริงถึงขั้นที่ส่งผลเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและบุคลิกภาพได้ด้วยเช่นเกิดความอย่างรู้ตระหนักความจริงว่าชีวิตของเราจะเป็นอยู่ด้วยดีและมีความสุขแท้จริงได้จะต้องเกื้อกูล ก, กันกับธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ตลอดจนต้องรู้จักใช้รู้จักสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยความไม่ประมาทเป็นต้น คนที่มีโยนิโสมณสิการรู้จักคิดรู้จักมองยอมมองเห็นและหาแง่ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์แม้แต่จะประสบความยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นเคราะหามยามร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่ทำให้เขามืดบอดหรืออับจนสภาพเลวร้ายที่ได้ประสบ มักเป็นจุดกระทบให้เขาเกิดปัญญาหรือคุณธรรมและการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเข้าทำนองที่บางครั้งเราได้ยินบางคนพูดว่าข้าพเจ้าโชคดีที่เกิดมายากจนเป็นโชคดีของข้าพเจ้าที่ได้ป่วยหนักครั้งนั้นแม้ตลอดกระทั่งอย่างที่มีเรื่องเล่าในคำพีว่าบางท่านได้ยินคำพูดของคนบ้าแล้วเกิดความเห็นแจ้งสัจธรรม ดับกิเลสหมดไปได้ก็มีในทางตรงข้ามบางคนทั้งที่เกิดมาสวยร่ำรวยหรือมีศักดิ์สูงแต่ขาดโยนิโสมนสิการมีแต่อาโยนิโสมนสิการแทนที่สภาพชีวิตที่เป็นเหมือนโชคลาบนั้นจะเป็นทุนหรือเป็นเครื่องเสริมโอกาสให้เขาสามารถพัฒนาชีวิตได้สะดวกรวดเร็วผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่กลับเป็นตัวเราเร่งตันหามานะทิฐิให้หนาแน่นรุนแรงพร้อมด้วยความเกียดคร้านลุ่มหลงมัวเมาติดตามมาแย่งชิงพรากเอาความมีโชคดีไปจากเขาโชคดีมีค่าเป็นโชคร้ายและชีวิตก็ไม่เจริญงอกงามคนทั่วไปซึ่งได้สั่งสมความเคยชิน ให้จิตมีนิสัยแห่งการคิดในแนวทางของการสนองตันหาหรือคิดโดยมีความชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายชอบชังเป็นพื้นฐานมาเป็นเวลายาวนานวิธีโยนิโสมนสิการแบบต่างๆนี้จะเริ่มเป็นเครื่องฝึกในการสร้างนิสัยใหม่ให้แก่จิตการสร้างนิสัยใหม่นี้อาจต้องใช้เวลานานบ้างเพราะนิสัยเดิมเป็นสิ่งที่สั่งสมมานานคนละเป็นสิบสิปี แต่เมื่อได้ฝึกขึ้นบ้างแล้วก็ได้ผลคุ้มค่าเพราะเป็นการคิดที่ทำให้เกิดปัญญาทำให้แก้ปัญหาดับความมืดและความทุกข์สร้างเสริมความสว่างและความสุขได้แม้จะยังทำไม่ได้สมบูรณ์ก็ยังพอเป็นเครื่องช่วยให้เกิดสมดุลและได้มีทางออกในยามที่ถูกความคิดตามแนวนิสัยเดิมชักนำไปสู่ความอับจนสู่ความทุกข์และปัญหาบีบคั้นต่าง ก็พลิกผันหันไปสู่ความรอดพ้นปลอดภัยตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อพูดเชิงวิชาการในแง่การทำหน้าที่วิธีโยนิโสมนสิการทั้งหมดสามารถสรุปลงได้เป็นสองประเภทใหญ่คือ 1. โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปัญญาบริสุทธ มุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะคือรู้เข้าใจมองเห็นตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นเน้นที่การขจัดอวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนามีลักษณะเป็นการส่องสว่างทำลายความมืดหรือชำระล้างสิ่งสกปรกให้ผลไม่จำกัดการหรือเด็ดขาดนำไปสู่โลกุตระสัมมาทิฐิ 2. โยนิโสมนสิการประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิตมุ่งปลุกเร้าให้เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรมอื่นๆเน้นที่การสกัดหรือข่มตัญหาเป็นฝ่ายสมถะมีลักษณะเป็นการเสริมสร้างพลังหรือปริมาณฝ่ายดีขึ้นมากดข่มทับหรือบังคับฝ่ายชั่วไว้ให้ผลขึ้นกับการชั่วคราว หรือเป็นเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความพร้อมและสร้างนิสัยนำไปสู่โลกิยะสัมมาทิฏฐิ